พอเราลึกถึงแล้วเนี่ยเราลึกถึงเพื่อที่เราจะทําดีให้ได้อย่างที่ผู้นั้นผู้นั้นหรืออย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ยมีประวัติหรือว่ามีความเป็นมาที่ดียังไงนี่คือความแตกต่างมันเบากว่ากันเยอะเลยเพราะถ้าเราเนี่ยแบบว่าขอขออะไรอะ่ะขอให้ช่วยเราอย่างนั้นขอให้ช่วยเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นความสุขหรือว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยจะอยู่กับสิ่งอื่น ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราทําให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยพอเวลามีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาเข้ามาโอ้ก่อนอื่นเลยความคิดมันจะขึ้นมาเลยนะตามอัตโนมัติที่ไปสะสมมาคือจะใครจะช่วยฉันได้บ้างหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะคิดถึงคนอื่นก่อนมันจะไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่พอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจริตเปลี่ยนแปลงนิสัยเราแล้วคราวนี้เนี่ย พอเรามีอุปสรรคมีปัญหาปั๊บมันจะคิดถึงตัวเราก่อนเลยยิ่งโดยเฉพาะจิตใจเราเนี่ยมันจะคิดก่อนว่าเอาเป็นยังไงตอนนี้โหเจอเงี้ยมันทุกข์นะมันลําบากนะไอ้เราจะแก้ไขนะแก้สถานการณ์ยังไงที่จะทําให้ให้ดีขึ้นเศรษฐกิจมันตกอย่างเงี้ยเอย๊เราจะค้าขายยังไงทําให้มันดีขึ้นแล้วก็คิดในทางที่ดีด้วยไม่ให้มันไปผิดศีลธรรมอะไรด้วยเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยมันความถูกต้องแล้วก็การแก้ปัญหา จะมาในทางสั ม, มาติติแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยถึงบอกว่ามันจะต่างกว่าจากสมัยก่อนที่พอเราคิดขึ้นมาเนี่ยเอาเลยถ้าไม่คิดถึงคนที่จะให้ช่วยบอกแล้วเราก็ต้องคิดถึงอย่างถ้าเป็นอาตมาในแต่ก่อนนะอาตมาก็ตนึกถึงหลวงปู่ทวดอยแล้วเพราะที่ห้อยก็ต้องมีหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองอยู่องค์แ <c oughs> นะมีหลวงปู่ทวดห้อยด้วย เพราะยิ่งเราท่องคาถาได้ด้วยเนี่ยโอ้เจออะไรเนี่ยคาถาหลวงปู่ทวดมาก่อนเลยคือพึ่งหลวงปู่ทวดก่อน น, นะคือมันไม่ได้พึ่งสัจจะไม่ได้พึ่งความจริงของเราี่ขนาดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะให้ใครมีตัวตนบุคคลมาช่วยนะแต่จิตเนี่ยมันไปล่ะพึ่งไง น, นั้นพึ่งไง น, นี่ให้มาช่วยซึ่งอันนี้อาตมาบอกแล้วว่าถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะบางครั้งเนี่ยคุณเอ้ยคุณไปเจออะไรแบบกระทันหันนี่นะ จับพันนี่นะโอ้บางทีนี่หลวงปู่ทวดก็หลวงปู่ทัวเถอะมันมันไม่ขึ้นนะมันขึ้นไม่ทันมันตกใจอะ่ะเนี่ยตกใจมันขึ้นไม่ทันนะคุณตอนนั้นนะ่ะรับรองเลยว่าคุณไม่รู้รจะแก้ไงคุณไม่รู้จะทําไงอะ่ะเพราะว่าบอกแล้วมันไม่ได้ฝึกความเคยชินไม่ได้ฝึกนิสัยที่จะพึ่งตนแต่ถ้าสัญชาตญาณอัตโนมัติเลยถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยพอเจออะไรพับนี่นะ ส่วนใหญ่เราจะมีสติที่ดีขึ้นนะสตินี่มันจะช่วยทำให้เรารู้ตัวแล้วก็ทำให้เราแก้ปัญหาโดยที่เรียกว่าเออแก้จากตัวเราเนี่ยออกไปจะไม่เที่ยวไปฝากความสุขไม่เที่ยวไปฝากชีวิตไม่เที่ยวไปฝากหน้าที่การงานฝากอะไรอะ่ะความสุขทรัพย์สินเงินทองอะไรอยู่ที่อย่างอื่นจะไม่ละแล้วไปสังเกตดูนะว่าความเชื่อมั่นที่ถูกต้องที่แท้จริงอันนี้ จะทำให้คนนั้นเนี่ยคราวนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะเบาภาละขึ้นแล้วการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทาได้โดยมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่ออย่างถูกทางด้วยนะไม่ใช่เชื่อแบบผิดทางแล้วเชื่ออย่างเงี้ยทำให้คนนั้นสบายขึ้นอาตมาพอเริ่มปฏิบัตินะพึ่งตนเองในอย่างของพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยไม่ต้องไปเสียงเงินทองกับ วัตถุข้าวของอะไรตั้งหลายอย่างนะบอกแล้วดอกไม้ธูปเทียนเผลอๆนะแต่เดี๋ยวเอาอย่างของจีนด้วยเพราะว่าโยมที่บ้านนะอาตมาเนี่ยเขาก็เป็นเชื้อจีนมานะบางทีเขาก็จะกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทพไหว้บั้นพระพุทธบาทอะไรต่ออะไรเนี่ยอ่าเขาก็จะมีนั่นแหละมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ธูปเทียนนะเดี๋ยวข้าของอะไรต่ออะไรหว เรเห็นมาเยอะเลยเพราะว่าที่บ้านนี่โอ้โยมเขาก็ไหวย้ยิ่งท่าแต่ก่อนนี้ไหว้ด้วยอะไรอ่ะหมูเป็ดไก่อะไรด้วยซ้ําไปไหว้เป็นเนื้อสัตว์เลยต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่พอจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมนี้เริ่มเข้าใจนี่โอ้ต้องคุยกับท่านนานอยู่เลยนะตั้งหลายปีกว่าจะค่อยๆให้ท่านอะไรอ่ะยอมเปลี่ยนแปลงแต่หลังท่านก็ยังไหว่ยอยู่อ่ะไออันนี้เลิกไม่ได้ อาตมาก็ยอมแพ้ไม่สามารถจะแก้ท่านได้เพราะว่าท่านฝังมานานแล้วท่านอยู่ตั้งแต่เมืองจีนมานโอ้ฝังหัวในเรื่องของของลัทธิศาสนาอย่างของจีนเขาเพราะฉะนั้นแล้วกาบไหว้ีะเลิกไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าพยายามขอให้ท่านเลิกจากค่าศาสตร์ตัดชีวิตเนี่ยก็มาไหว้เป็นพวกเจซะไหว้เป็นพวกมังสวิรัตซะ ก็ขอได้แค่นั้นหลายปีเลยนะกว่าจะพูดจนกระทั่งขออันนี้ได้เพราะว่าไม่ค่อยยอมจนตอหลังเนี่ยว้ไหว่เจ้าแบบแบบเจมาได้สักระยะหนึ่งต่หลังพอดีโยมพ่อเสียชีวิตพอยมพ่อเสียชีวิตไปเสร็ จ, เ, รจเลยคราวนี้เพราะว่าโยมแม่ก็ไหวไปให้เตี่ยเนี่ยนะให้พ่อเนี่เอาแลวทีโยมพ่อชอบกินไก่อะ เสร็จเลยก้อนนี้เลยไก่มาอีกแล้วถ้าเวลาไหวให้เตี๋ยก็ต้องต้องไก่มาอีกหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยโอ้แพ้อาจจะมาแพ้ไม่สามารถที่จนั่นได้แต่อย่า ง, งน้อยก็เอาท่านก็ทําได้ขนาดนึงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่จะมาพูดประเด็นนี้ให้เห็นถึงความฝังหัวหรือว่าการหยั่งรากลงลึกของความเชื่อเรื่องพวกนี้ในคนเรานี่ โอมีมานานมากมีมาก่อนศาสนาพุทธศิษยฝังมาเยอะแล้วนะเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้มีมาก่อนศาสนาพุทธเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ัะอยู่ในในจิตวิญญาณของคนเรามากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงหรือว่าไม่มีโอกาสได้พบสัจธรรมจริงๆแล้วนะโอกาสที่จะหลุดออกจากสิ่งพวกนี้ยากมากๆขอบอกได้เลย เพราะอะไรเพราะแม้แต่คนที่มาเจอเจ อ, เจอธรรมะแท้แล้วนะได้มาถือศีลได้มาปฏิบัติธรรมแล้วนะตัวอย่างที่ยกไปก็ยังเห็นเลยว่าก็ยังไปทำอย่างนั้นอยู่เลยเนี่ยในในใ น, ในหมู่พวกเราไม่รู้นะใครที่นั่งอยู่หน้าที่นี้เนี่ยคงไม่บอกว่าใครทำแล้วให้ยกมือสิคงไม่บอกหรอกนะเพราะคงไม่มีใครกล้า ย, ยกแน่แต่ คนนั้นจะรู้เองว่าโอ้โหใจเรานี่ยังยังเยอะอยู่เลยนะเรื่องพวกนี้แล้วอาจะมาบอกแล้วว่าคุณจะสังเกตได้ชัดที่สุดง่ายที่สุดเวลาคุณทุกๆอะไรอะ่ะคุณจะสังเกตไหมไอ้เรื่องพวกนี้เริ่มขึ้นเลยนะเริ่มขึ้นมาทันทีเลยความเชื่ออย่างเนี้ยทันทีเลยหรือแม้แต่ขนาดอย่างที่อาดาบอกอที่ญาติธรรมเขาป่วยแล้วพ่อเขาใกล้จะตายอะ่ะ ที่เข้าไปเข้าทรงเสร็จแล้วก็รู้มาเนี่ยซึ่งเรื่องเข้าทรงเนี่ยพ่อท่านก็เทศแล้วเทศอีกเทศแล้วเทศอีกว่าโอ้ไม่จริงหรอกนะทรงอย่างนั้นทรงอย่างนี้อันนี้อาจามาไม่ไม่เล่าอะไรมากแล้วอันนี้อยากรู้รายละเอียดนูน่นไปฟังที่พ่อท่านเล่าซึ่งท่านกระทํามาเองท่านเคยช่วยแม้แต่รักษาคนป่วยคนไข้ช่วยทําคนหายมันก็หายมาแล้ว ที่ตายก็มี ท, ที่ท่านเคยเล่าให้ฟังนะซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าว่านี่ขนาดท่านเองท่านก็ผ่านของจริงอย่างนี้มาแล้วแล้วท่านก็เข้าใจธรรมะใช่ไหมท่านก็ทิ้งเหมือนกันเพราะอาจจะมาเองเนี่ยพ อ, พอทิ้งอย่างนี้แล้วถึงแบบโอ้โหอิสระโดยเฉพาะจิตวิญญาณของเรานี่โอ้อิสระเสรีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปอยู่ในกรงขังของของไอ ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันหลุดมาได้เยอะเลยนะทั้งที่อดีตเนี่ยคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะหนีไม่พ้นก็ต้องเชื่อเรื่องพวกไอ้พูดผีวิญญาณพวกอะไรต่างคือมันไปด้วยกันเวทมนต์คาถาอะไรพวกนี้มันไปด้วยกันอยู่แล้วแต่พอพอเราปฏิบัติทำมาได้เราเขา้าใจได้เรื่องพวกนี้โอ้โหเริ่มหลุดออไปเริ่มหลุดต่อไปนะไอ้ความกลัวผีแต่ก่อนเนี่ยกลัวผีมากๆเนี่ยก็เริ่มค่อยๆคลายออกคลายออกเริ่มเริ่มหลุดออกไปเพราะว่า จะสู้กับผีเขาก็ต้องมีคาถาใช่ไหมมันไปด้วยกันบอกแล้วถ้ากลัวผีก็เริ่มนะเอาละเริ่มต้องนึกถึงคาถาเริ่มอะไรต่ออะไรไมล่ละข้อนี้นะถ้าจะใช้คาถาอย่างนั้นก็ก็มีเนี่ยคนในศาสนาพุทธนี่ก็ตามที่ยังกลัวผีมักใช้ยังไงอะ่ะพอเวลากลัวผีก็สวดมน์ไงบางทีก็นโมเลยขึ้นนโมเลยนั่ง กลัวผ <G l uch va> ีอ่ะทั้งทงี่ความจริงเนี่ยจะขึ้นนโมหรือผู้เจ้าท่านสอนบอกเอ้าจริงๆท่านสอนว่าเนี่ยให้เราเลือกถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่ได้สอนว่าให้ไปนั่งสวดมนต์นะจริงๆท่านสอนว่าให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ผีนี่ก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะว่าเปลี่ยนจิตไงจริงๆแล้วมันเป็นที่จิตเปลี่ยนจิตจากความที่ไปคิดถึงผีคิดถึงผีคิดถึงผีเนี่ยเอามาคิดถึงพระ พระพุทธเจ้ามาคิดถึงพัะธรรมคำสอนมาคิดถึงประสงค์ที่เราเคารพศรัทธาก็นั่นนั่นนั่นคือวิธีไล่ผีที่ดีที่สุดหรือการเปลี่ยนจิตใจอย่าไปคิดถึงผีแล้วผีมันก็จะหายไปแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะคราวนี้คราวนี้จริงนะเขาก็มาสวดมนต์ใช่ไหมเขาก็ใช้ใช้เนี่ยจะใช้อิติปิโสจะใช้นโมะจาระะใช้อารหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่ สวนใหญ่อนะไรน่สวดเสร็จแล้วก็ใจมันก็คลายเสร็จแล้วก็เลยเออก็หายกลัวผีแต่คนนี้อาจจะยังไม่สัมมาทิฏฐิก็ได้นะถ้าเขาเชื่อว่าเพราะอิติปิโสเนี่ยแหละหรือว่าเพราะอัลหังสัมมาเ น, ในี่แหละที่ไล่ผีถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องที่ชัดเจนอันนี้ก็ยังเข้าใจเหมือน คนโลกโลกทั่วไปอ่ะคือถ้ามีคาถานั่นมีคาถานี่แล้วก็สามารถไล่ผีสามารถทำให้คนหายเจ็บป่วยได้ไข้อะไรได้อา้าวคนนี่ก็ยังเชื่อแบบโลกีเชื่อแบบคนในโลกโลกยังไม่ใช่เชื่อแบบโลกอุตละยังไม่ใช่เชื่อแบบถูกถู ก, ถกทิศถูกทางมันถ้าจะให้ถูกต้องถึงบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่คาถานั้นนะแต่ความจริงคือการที่เราเนี่ยสมมติเรามาสวดเราใช้คาถา คาถาเหล่านี้เนี่ยพอเราเลลึกแล้วจิตเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่ที่คาถานี้หรือเราลึกถึงพู้เจ้าเจ้าแล้วทำให้เราไม่ไปนึกถึงผีผีมันก็จะหายไปเพราะผีมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตแล้วนี่ผีไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่นอกตัวนอกตนกตเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยพอได้เรียนรู้ธรรมะแล้ ว, ลวได้เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติต้องพยายามทาจริงๆฝึก แลมาเนี่ยมาฝึกอยู่ที่ที่สันติอาโศกเนี่ยหลายปีเพราะว่าบอกแล้วว่ากลัวผีมาก่อนก็เพราะเหตุหนึ่งเนี่ยที่กลัวผีมาก่อนอย่างแหละมันถึงได้อยากจะนี่เงมีพระห้อยคออยากที่ะอะไรอ่ะกราบไหว้ขารบบูชาหลวงปู่นั่นหลวงปูน่นี่แล้วเราก็มีคาถาเนี่ยก็เพื่อมากันผีอย่างหนึ่งด้วยเห็นถึงบอกว่าเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันตามไปด้วยกันมันคู่กันไปด้วยกัน แม่พอมาอยู่นี่แล้วอ่ะยิ่งได้ฟังเทปฟังธรรมจากพ่อท่านชัดเจนยิ่งขึ้นนะเราก็เข้าใจสิ่งที่ถู ก, ถกต้องมากขึ้นแต่ความเข้าใจเนี่ยเป็นแค่ความรู้ยังไม่ใช่ความจริงวนพวกเราหลายคนเลยมีความรู้แต่ไม่มีความจริงเพราะบอกแล้นะฟังเทปฟังธรรมมันก็เยอะอ่าบางคนเนี่ยซื้อเทปไปฟังอีกจังหากนะ ฟังตั้งหลายเที่ยวแต่ฟังแล้วพอเวลามีภัสสะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอ้าวไปทําอย่างเดิมอีกละเนี่ยไปพึ่งหมอดูไปพึ่งเข้าทรงไปพึ่งหวยไปพึ่งอะไรต่ออะไรอีกละอ้าวนี่แสดงว่ายังไม่ได้ของจริงได้แต่การฟังหรือว่าได้แต่การรู้เท่านั้นเองพอเวลาไปบอกน่บอกเอารู้แล้วรู้แล้วพอไปบอกก็รู้แล้วก็มันรู้ไม่จริงสิรู้รู้ป ล, ปลือกเปลือเท่านั้นเอง เะฉะนคนที่จะรู้จริงได้เนี่ยต้องทําได้จริงถึงจะรู้จริงนั้นเนี่ยพออาตมาเองมาอยู่ที่สันเตียโศกจําได้ใหม่ๆเลยตั้งแต่ใหม่ๆเลยก็ฝึกนะฝึกนอนที่สันเตียโศกเนี่ยก็จะมีแต่ก่อนเขาจะมีชั้นเขาเรียกว่าดอกไม้งามของพระอริยะนั่นะเดี๋ยวนี้เราย้ายมาอยู่ตรงกุดกุดเล็กๆตรงนี้ละตรงตีนบันไดโบสเนี่ยะนะชั้นนั้นน่ะ มันจะเป็นชั้นลอยของของตึกที่แต่ก่อนเราใช้เป็นที่ทํางานเป็นโรงพิมพ์พ่อท่านก็จะทําอยู่ตึกนั้นด้วยเสร็จแล้วชั้นนั้นเขาจะมีพวกศพเนี่ยมาวางเอาไว้อาตมาเองก็ก็คิดอยู่ว่าเออเราเองรู้แล้วละ่ะเข้าใจแล้วละ่ะตอนเนี้มันเหลือตีแต่ว่าทําใจยังไงอ่ะคือรู้ก็เรื่องรู้นะแต่พอเวลาของจริงเนี่ยเออเราจะทําใจยังไง บางทีก็ฟังคนอื่นพูดมานะว่าทำใจอย่างยี่สีอย่างยี่สี่อย่างยางี่สี่ใช่เขาพูดให้เราฟังมาทําอย่างยี่งี่เหมือนกับคนสอนหัดขับรถอนะเขาก็บอกอาขับอย่างยี้สี่อย่างยี่สีแต่พอเวลาเราไปขับจริงๆอ่ะหมายถึงว่าครั้งแรกเนี่ยคุณไปขับจริงเนะี่ยแล้วที่คุณฟังเขาบอกมานะเอาเอาเอ า, เอามือจับที่เกียร์เอามือขวาจับพวงมาลัยเอาทักเอาเท้าแตะเบรกแตะค่าแตะอะไรเอาฟังดูมารู้เรื่องอยู่แหละ แต่พอเวลาไปขัจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นสิโอ้บางทีมันทําไม่ถูกเลยอ่ะมันเหมือนกันเลยการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นเพั้นพอคราวนี้ก็เลยเออแหมเราก็กลัวมานานแล้วนะกลัวมาหลายปีกลัวมากๆอันนี้ไม่เล่ารายละเอียดแล้วจะเล่าแค่ว่ากลัวมากๆนะกลัวจกนกระทั่งเอาแค่บอกว่าถ้าอยู่ตึกสามชั้นนี่กล้ากระโดดลงมาเพราะกลัวผีอะเอาเอาแค่แค่นี้ให้รู้ก็พอ ก็ว่าโอ้โหกล้าโดดนะกล้าโดดลงมาได้นะกลัวผีมากกว่ากลัวโดดลงมาแล้วจะตายนั ก, กลัวถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้เราก็มาปฏิบัติธรรมแล้วมาอยู่ที่สันติยโศกแล้วนะยิ่งก็ตั้งใจว่าจะบวชเป็นเป็นนักบวชของชาวโศกเพราะนั้นต้องล้างไอ้อุปทานจิตเรื่องผีสางอะไรพวกนี้ให้ได้ ครานี้ก็เลยฝึกเลยก็นอนอยู่ข้างๆโรงศพนั่นแหละเขาจะมีโรงสองชั้นชั้นบนก็เป็นโรงศพที่แห้งแล้วอะ่ะนะก็ยังมีทุกส่วนอยู่ครบแต่ว่าหนังนี่จะแห้งละอ่าเสร็จแล้วก็ชั้นล่างนะก็จะมีโครงกระดูกนะสิโครงมังกระโหลกมังอะไรมังก็แล้วแต่นะจะวางอัฐิต่งตางๆเนี่ยรวมไปทั้งบางทีก็มี อะไรที่ให้คุณปรงอสุภานะแล้วบางทีก็มีเนื้องอกมาตั้งบ้างมอาีอะไรอะที่ที่ให้คุณปงไอ้ที่มันน่าเกลียดน่าเกลียด <c oughs> นะครับหรือว่าบางทีเป็นรูปอสุภาษะโอ้โหที่น่ากลัวยิ่งกว่ากระดูกเนี่ยแต่มาว่ารูปอสุภาษะเลยนะ <c oughs> เขาไปถ่ายศพมาโหขึ้นน้องบ้างามีหนอนไอ้อะไรอะ่ะโยเยะนะแล้วก็น่าเกลียดเสร็จแล้วก็ ผ่าศพโอ้โหเห็นเนื้อเห็นเลือดแดงๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหจะมาว่าที่จะมากลัวเนี่ยกลัวผ้าพวกนี้ยิ่งกว่ากลัวศพอีกเพราะไปดูศพมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ดูภาพวกนี้โอ้โหมันมันแทงทิ่มแทงหัวใจเกินนะอันนี้ก็เลยเอา้าไหนๆเราก็จะฝึกแล้วก็เลยไปไปนอนนั่นแหละไปนอนข้างๆศพนั่นสุมาสุมาศพตั้งอยู่อย่างนี้ เราก็อาจจะนอนข้างๆห่างสักเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรชั้นนั้นก็แปลกนะไม่ค่อยมีใครไปนอนเท่าไหร่ก็เลยไปนอนไปนอนนอนอยู่หลายปีไปฝึกนอนอยู่ข้างๆศพอยู่หลายปีแต่จำได้ว่าบางครั้งเนี่ยจิตเราดีๆนะถือศีลปฏิบัติธรรมดีๆอารมณ์ดีๆนอนไปนี่หลับสบายไม่คิดถึงอะไรเลยแต่บางทีเนี่ยมันจะมีละ บางวันเกิดไปสะดุดอะไรเขา้าหรืออย่างเช่นบางคนมาเล่าอะไรให้ฟังเอาแล้วนะพวกที่ชอบเล่าเรื่องผีเนี่ยสร้างบาปกมไม่อย่างหนึ่งนะบอกให้รู้ <c oughs> <c oughs> ทำให้คนที่เขาโกงกอาจะมาบอกแล้วนะคนโกงอยู่นะโอ้โหติดหูจริงๆเลยติดฝังใจเลยมาจังจำได้ทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยไปดูหนังผีตั้งแต่ขนาดตอนเด็กๆอยู่ชั้นประถมเนี่ย ดูหนังผีมันยังจำได้ถึงทุกวันนี่นยเนี่ยเนี่ยอายุห0ก็ไปแล้วยังจำได้อยู่เลยนะว่าหนังผีเรื่องนั้นเป็นยังไงโอ้มันจาได้เลยแล้วก็บางทีเพื่อนมัง่งบางทีก็ผู้ใหญ่บ้นะชอบแกล้งเด็กผู้ใหญ่เนี่ยชอบแกล้งเด็กแล้วก็มาเล่าแหมผีปอบมัง่งผีกระสือมั่งอะไรกัอะไรนะเล่าให้เราฟังว่าจำมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ไ อ, อ้พวกนี้นะ พอเวลาจิตเราไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเรายังมีเชื่อมีอุปทานอยู่มันจะขึ้นมาโอ้โหยิ่งนอนอยู่ใกล้ๆโลงศพเนี่ยพอเวลาจิตเราไม่ดีมันขึ้นมาเลยจริงๆนะเพราะว่าอาตมาถึงบอกหลายคนไว้เลยว่าคุณไม่จําเป็นคุณไม่ต้องไปฟังหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะฟังแล้วมันคุณมาเก็บมาฝังไว้ทั้งนั้นแหละคุณคุณไม่กลัวคุณไม่เชื่อถือก็แล้วไปก็ดีไปแต่ถ้าคุณจริงนะคุณไม่กลัวนะ แต่คุณยังมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เดี๋ยวคุณเสร็จจนได้ที่คนบางคนอยากบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยคือไอตอนที่จิตเขาสบายๆจิตเขาดีๆเขาเลยไม่กลัวนะแต่ถ้าพอเวลาจิตไม่ดีนะแต่เขาเชื่อไงเพราะพอจิตไม่ดีเนี่ยความเชื่อพวกนี้แหละเขาเรียก ว, ว่าอุปท า, านจิตแล้วเขาเนี่ยจะขึ้นมาเล่นงานคนนั้นก็อาจมาฟังมาขนาดจะมา ก, ก, กลัวๆเนี่ยแต่เวลาจิตดีๆก็ยังไม่ไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหม แต่พอเวลายิ่งจิตไม่ดีเนี่ยโอ้โหมาวนี้แหละคุณจะรู้สภาวะจิตเลยว่าโอ้โหมันขึ้นมาใหญ่เลยนะขึ้นมาหลอขึ้นมาร้อนขึ้นมาเล่นงานกลัวจะกลัวมากๆเลยนะยิ่งใครฝังหัวใครเชื่อเรื่องพวกนี้ามากๆนะ่าจะยิ่งกวนหะนักอรตมาถึงบอกว่าบ้าไปก็ได้นะใครใครใครควบคุมจิตไม่ได้นี่บ้าได้เลยวัน พ, พวกที่บางทีไปนั่งที่เขาบอกไปนั่งทําสมาธิไปนั่งกรรมฐ า, านไปนั่งทําอะไรต่ออะไรเนี่ย ทั่วไปอ่ะบ้าอะไรก็เยอะเพราะว่าบางทีไปเห็นแบบไปเห็นแบบนรกสวรรค์ไปเห็นพูดผีไปเห็นอะไรคือจิตเขาทั้งนั้นนะที่ที่ที่เห็นน่ะคำว่าเห็นเนเนี่ยคือจิตเขาทํางานันอ่ะเพราะก็นั่งอยู่คนเดียวอ่ะเออมันจะไปเห็นอะไรที่ไหนมันก็เห็นที่จิตของตัวเองเห็นแล้วเห็นจากอะไรบางทีก็เห็นจากไอ้ที่ตัวเองสะสมไว้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมไม่ได้บ้าคุณ บ้าไปก็หลายหลายแล้วเพี้ยนไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยต้องระวังนะแม้แต่เนี่ยอาตมาก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันนะไอ้ที่จะไปฝึกจะไปสู้เนี่ยบเออเราต้องสู้ไหวนะเราต้องสู้ได้นะเพราสู้ไม่ได้เดี๋ยวเพีย้ยนกระโดดตึกขึ้นมายุ่งเลยก็ปรากฏว่านั่นแหละมีเหมือนกันขนาดว่าบวชเป็นพระแล้วเนี่ยบางคืนเะน่ยบอกแล้วก็ตอนไปนอนเราก็ไม่รู้สึกว่าเราก็ดีๆนะ แต่บอกว่าไอ้หลับไปเนี่ยถ้าเราสติเราไม่ดีพอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันขึ้นมาของเก่ามันขึ้นมาได้ขนาดอาตมานี่นอนเตียงน้อยนะฝึกนอนเตียงน้อยให้มันมีสติแบบว่าสติมันจะไปอกุศลมันจะไม่ไปดีอะไรเนี่ยเราก็พยายามรู้ตัวปั๊บเราก็เอ้ยไอ้นี่ไม่ดีเราก็เลิกคิดหลับอยู่เนี่แหละถ้าคุณหลับมีสติคุณก็รู้ตัวได้อะไรไม่ดีเราก็ตัดทิ้งล้วก็พยายามไม่ไปคิดถึงมัน ก็เลิกขนาดอย่างนั้นนะคิดดูดูสิยังมีเลยบางคืนเนี่ยโอ้โหยังต้องลุกขึ้นมานั่งเลยนะเพราะมันเริ่มรู้สึกเฮ้ยเหมือนจะยินเสียงอะไรเอาละเอาแล้วมันเริ่มเลยนะเอ๊ก็สัญชาตญาณเลยอนะคุณพอเรารู้สึกว่าเหมือนจะยินเสียงอะไรเนี่ยตาเราก็ต้องไปที่ลงก่อนแล้ว <c oughs> มันทันทีเลยเนะี่ยมันมันมันมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วทันทีเลยยิ่งมีู่าวหนึงนะ่งอ่ะโอ้ ไอ้ที่พูดนี่มันมันจะหลายคราวนะแต่แต่ที่พูดให้คุณฟังเนี่ยบางทีก็ยกเป็นบางคราวขึ้นมาว่าโอ้บางทีกลัวมากๆเลยแต่ถ้ายังไงถ้าอยู่ในกรดเนี่ยอุ่นใจอยู่ในกรดนี่มีความรู้สึกว่ามุ้งบางๆเนี่ยถ้าพูดแบบชาบ้านนะกรดเ น, เนี่ยนะมุ้งบางๆเนี่นะมีความเชื่อว่ากันผีได้สําหรับอะตมานะอบอุ่นใจหรือกันผีได้ยังไงถ้าเราไม่ออกไปนอกกรดเยนะยัง ผีทำอะไรเราไม่ได้มีความเชื่ออย่างนี้นี่ขนาดบวชแล้วนะแล้วก็แหมพยายามที่ว่าเออจะเชื่อมั่นตัวเองกรรมเป็นของของเราโอ้โหคุณนึกบอกเวลาล้างจริงจริงมันไม่ง่ายเหมือนที่คุณคิดกันง่ายๆหรอกนะถ้าอยู่ในในกฎะนะั่นแหะบางทีรู้สึกว่านอนต่อไปไม่ได้จะลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองเลยคนที่ต้องเบิ่งตามมองมองให้ทั่วๆต้องทาาําใจกล้าแล้วก็มองเนี่ยแล้วก็ระลึกละคันนี้เริ่มระลึกล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละ เออมันไม่มีจริงนะเริ่มเริ่มมีปััชนาแล้วเริ่มสอนตัวเราเองขึ้นมาเออมันไม่มีจริงหรอกอย่างนี้ออกหนะ้ามันเป็นความมืดมันเป็นเ อ, อหูแว่วมันเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย อ, อพอเราพิจารณาสักครู่หนึ่งบาทีก็เห็นละเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรถึงค่อยล้มตัวลงไปนอนต่อแต่มีอยู่คราวหนึง่งจะสรุปและจะสรุปเล่าให้ฟัง <laughs> มีอยู่คราวนึง่งตาโกยว่าว่าลุกขึ้นมานั่งก็แล้วกำลังนั่งเนี่ยบอกเออ มันเป็นความมืดนะที่เรากลัวมันเป็นหูแว่วนะอะศิลปะกฏว่านั่งๆไปมีเสียงดังขึ้นมาจริงๆเลยสิดังขึ้นมาตรงโล่งอะ่ะโอ้โหคราวนี้ก็ตกใจใหญ่เลยสิชักเอมันยังไงแล้วเว้จริงหรือว่าไม่จริงกันแน่วะเนี่ยชักชักไม่แน่ใจเลยนะทันทีเลยนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราเรารุกขึ้นมานั่งแล้วไงเราไม่ใช่นอนอยู่ไอ้นอนอยู่แล้วก็บอกว่าเราหูแ่วได้ แต่คราวนี้มันไม่ใช่หูแววแล้วอ่ะเพราะท่านก็เลยแบบว่าเอ้ยนี่มันเสียงจริงนะมันไม่ใช่แววแววนะเสร็จแล้วก็เลยชักเอใจไม่ค่อยดีแต่ก็เชื่อมั่นพ่อท่านว่าพ่อท่านไม่โกหกเรานะแล้วเชื่อมั่นนักบวชชาวโศกที่เคยสอนสอนเรามาอะไรอย่างงี้ว่าเอ้ยผีมันไม่มีหรอกนะในโลกนี้ก็พยายามพยายามพยายามเอามาปลอบใจแล้วก็พยายามอ่าคิดให้มันถึง สัจจะถึงความเป็นจริงให้ได้ก็เลยบอกเอา้าคราวนี้นี่จะเจอก็เจอคราวนี้ก็เลยลุกออกจากกดเลยไม่นอนต่อแล้วเพราะนอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่ได้แน่ไม่นอนแล้วลุกออกมาเลยเสร็จแล้วที่นอนเนี่ยนะอาตมาสม่วนนอนอยู่ด้านในนะแล้วก็ลงศพแล้วก็สวิทช์ไฟคือลงศพเนี่ยจะขั้นอยู่กลางคือคือถึงจะเดินออกมาเนี่ยก็คิดนะตอนแรกคิดว่า ยังไงก็น่าจะไปเปิดไฟไว้ก่อนนี่พบเก่ามันยังมีนะยังไงก็น่าไปเปิดไฟไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเอาละก็เลยเดินพอเดินผ่านโรงศพเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆนะยังไงก็ก็ชะง่อกดูโรงศพหน่อยนะก็ดูเสร็จแล้วเอ้าเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรนี่นะแต่ก็ยังไม่คลายใจก็เอาเดินไปเปิดไฟพอเปิดไฟเสร็จไฟมันก็สว่าง ไปสว่างเสร็จก็เดินกลับมาที่โรงใหม่แล้วก็มาชะโงกหน้าดูดูชั้นบนดูชั้นล่างขณะที่ดูอยู่นั่นน่ะโอโหเสียงมันดังขึ้นมานั่งใก้ๆๆๆขึ้นมาเนี่ยสะดุ้งเลยสะดุ้งเครือกเลยจริงนะเสร็จแล้วก็เลยพอสะดุ้งเสร็จแต่ถึงยังไงเนี่ยมันอย่า ง, งน้อยๆเนี่ยผลที่เราฝึกมาเราปฏิบัติมาเนี่ยถึงแม้เราจะตกใจก็ตามนะแต่มันก็ยังมีสติ มันยังคุมจิตเราได้อยู่มันไม่เหมือนแบบว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนี้อาตมาอาจจะโดดตึกไปแล้วก็ได้แตถ่ถ้าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันมีสติมันคุมได้อยู่มันถึงจะตกใจนะโอ้โหรู้สึกตัวเย็นวับเลยนะผะตกใจเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนจะคนลุกสู่ถ้าเป็นแต่ก่อกนนะไอ้นี่เออไม่ไม่ขนลุกสู้นะแต่รู้สึกโอ้ตัวเย็นวับเลยเสร็จแล้วก็พยายามละมองดูซิว่าไอ้ไอ้ตนเสียงนี่มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะอยู่ที่ลงไบล่างหรือลงใบบน หรือที่ไหนป้าปาบอกว่ากำลังดูอยู่เนี่ยเสียงมันดังขึ้นอีกไงพอเสียงมันดังขึ้นอีกก็เอ้ยเอ๊ยมันไม่ใช่ที่โรงเนี่ยมันไม่ใช่ที่โรงแต่มันอยู่บนโรงมันอยู่ข้างบนโรงคือมันอยู่ที่เพดานโรง <c oughs> <c oughs> เพดานที่อยู่ตรงกับโรงโอ้โหถึงได้คลายใจเลยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่แมวหรอกหนูหนูเพราะหนูแหมโอ้โหอาตมาฤทธ คลายใจไปเลยนะรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นมาเนี่ยก็ยิ่งมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นนั่นในเรื่องของตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็เชื่อในเรื่องของของความที่เรียกว่าเออเนี่ยไอ้เรื่องอะไรอะไรนอกตัวนอกต น, กต น, กตนกตที่เราจะไปเชื่อแม้พูดปีปีศาจแม้เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันเบาลงไปเรื่อยเลยมันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังไม่กล้าบอกว่าหมดเกลี้ยงเลยนะทุกวันเนี่ย แ, แต่ อย่างน้อยๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราพูดง่ายๆว่าเข้าใจความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้มากก็เรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเรียกว่าคิดว่านะถ้าจะไปให้อะไรอะ่ะไปนอนอะไรอะ่ประป่าช้าหรือว่าไปนอนอะไรก็คิดว่าคงพ อ, อตัวรอดได้อะ <c oughs> คงไม่โอ้โหจิตเสียหรือว่าจิตไปกลัวผีไปอะไรจนถึงขั้น บ้าไปอะไรคงไม่เป็นอย่างนั้นแน่ละ่ะไม่ต้องอื่นกายเรกบางทีเนี่ยที่ญาติโยมมาตั้งศพที่สันเตียโศมเนี่ยยังมีอะไรดึกๆบางคืนคนอื่นเขาไปนอนหมดล้ะอาตมาก็ยังมาเดินดูอยู่แล้ววเออไปยังไงบ้างอะไรบ้างบางทีมีแมวมีหนูมีอะไรมายุ่งมารบกวนอะไรต่างๆหรือเปล่าอ่ยังเดินดูเลยแล้วรู้สึกว่าเออดีใจใจเรามันปลดปล o อะ่ะใจมันสบายขึ้น มันไม่ต้องไปเชื่อไอ้สิ่งนอกตัวอะไรพวกนี้มากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราก็คือนะไอ้ความเชื่อเรื่องพวกนี้ยถ้าเราปลดปล่อยออกไปได้เราจะมีความอิสระเสรีแล้วนะเราจะเป็นคนที่มีใจเบิกบานแนะไม่ต้องโดนครอบงำจากอิทธิพลทั้งโลกทั้งโลกรีอะไรพวกนี้เอาไว้อยู่ที่ใจเราแล้วนะเราจะเป็นคนที่สามารถพึ่งตนของตนเองเนี่ย ได้อย่างชัดเจนได้อย่างถูกต้องแล้วได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นให้กับสังคมแม้ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยหรือคนจำนวนน้อยในสังคมก็ตามแต่เราจะมีตัวอย่างให้เห็นว่ามีคนที่พึ่งตนเองได้จริงๆในชีวิตนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะได้หลายคนได้หลายคนได้เป็นสังคมได้เป็นหมู่กลุ่มด้วยเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ คิดว่านะก็ฝากไว้ให้พวกเราทุกคนหวังว่าใครไปทำตนเป็นที่พึ่งของตนได้นะคนนั้นจะมีความสุขความเจริญในชีวิตได้มากขึ้นอนสำหรับวันนี้คงแสดงทําไม่เพียงเท่านีุ้